บางทีก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ผิดบาปชัดเจนเช่นจีบแฟนคนอื่นเนี่ยละครับ